ถ้าเราตถาคตเนี่ยนะตัดตันหาที่นําไปสู่พบแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสวยากรณภาษีนี้แล้วก็ตรัสเป็นบทประพันธ์เป็นคาถาต่อไปว่าเพราะไม่เห็นอริยสัจสีตามความเป็นจริงนะตามความเป็นจริงนี่คืออะไรความเป็นจริงของทุกนั้นควรกําหนดรู้ความเป็นจริงของสมุทัยควรละความเป็นจริงของนิโรธควรทําให้แจ้งความเป็นจริงของอริยมรรคควรเจริญ เพราะไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้แหละเราตถาคตและเธอทั้งหลายจึงเร่ร่อนไปในชาติทั้งหลายเหล่านั้นนั่นแหละตลอดกาลรรยาวนานชาติแล้วชาติเล่าทุกแล้วทุกเล่าเนี่ยนะก็เพราะไม่เห็นอริยสัจนี่แหละบัดนี้อริยสัจสี่นั้นเราตถาคตเห็นแล้วเห็นด้วยอะไรเห็นด้วยอริยมรรคเนี่ยนะเห็นด้วยอริยมรรค เห็นทุกข์ว่าควรกำหนดรู้เห็นสมุทัยว่าควรละเห็นนิโรธว่าควรทำให้แจ้งเห็นอริยมรรคมีองค์แปดควรเจริญให้บริบูรณ์จนถึงระดับอรหัตตมรรคเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วตัญหานำไปสู่ภพเราก็ถอนได้แล้วพฉะนั้นจึงไม่มีวัตถุอะไรที่เป็นที่ตั้งแห่งตัญหาเมื่อไม่มีอารมณ์อะไรที่เป็นเยื่อใยา ย, ายางเหนียวที่นำไปสู่ภพใหม่ มันก็เราก็ถอนตันหาเหล่านั้นได้เสร็จแล้วรากเง่าของทุกเราก็ถอนทิ้งแล้วทุกอย่างใดอย่างหนึ่งมีอะไรเป็นมูลทุกอย่างใดอย่างหนึ่งมีอุปธิเป็นมูลทุกอย่างใดอย่างหนึ่งมีขันมีตันหาเป็นมูลเป็นต้นทุกเหล่านั้นพระองค์ก็บอกว่าถอนรากเสร็จแล้วนะก็เขาบอกว่าการเกิดของพวกเราทุกคนนี่มานั่งอยู่เนี่ยนะมีตันหาเป็นรากเง่าเพราะขึ้นถ้าถอนตันหาขึ้นแบบนี้ถ้าทิ้งต้นเฉาต้นนี้แล้วก็ ไม่ถือเอาต้นใหม่อีกต่อไปไม่ถือเอาต้นทุกอันใหม่อีกต่อไปเนี่ยนะไม่ต้องถือเอาต้นน้ำตาต้นชรามรณะอีกต่อไปแล้วเนี่ยนะแต่ก็ได้ยินนะแต่ว่ารับรู้ เ, เรื่องแต่เอาไว้ก่อนหนอยนะอย่าเพิ่งของเลยอย่างเนะงี้ยนะจะเหอจริงๆแล้วบอกยางไงแหละเนี่ยนะดีไหมละตันหาบอกดีละเลยไหมเอ๊ยอยังมีประชุมอยู่นี่ก็ต้องตลําตลนันล่อนเล่ไปเูา จะไกลว้างหนึ่งเรอนทราบว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จอยู่ณนะหมู่บ้านโกติคามนั้นพระองค์ก็ทรงทำมีกระถานี้แลเป็นอันมากแก่พิสุทั้งหลายว่าศีลมีอยู่ด้วยประการเชนนี้จะตุปปาริสุที่ศีลเนี่ยเป็นอย่างนี้นะก็คือศีลวิสุทธินั่นเอง สมาธิค so, ืออุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิเป็นต้นมีอยู่ด้วยประการชนีเนี่ยนะอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิปฐมฌานเป็นต้นน่ะหรือจิตตวิสุทธิเนี่ยมีอยู่ด้วยประการชนี้ปัญญามีอยู่ด้วยประการชนีเนี่ยนะปัญญาทั้งกรรมสกตาปัญญาวิปัสนาปัญญามัคคปัญญาเนี่ยเป็นอย่างนี้หรือว่าทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิมัคคามัคคะปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิเนี่ยมีอยู่ด้วยประการชนี เพราะฉะนั้นสมาธิคือมัคคสมาธิผลสมาธิอันศีลอบรมแล้วย่อมมีผลมากเมียนิสง์มากมัคคปัญญาผลปัญญาอันสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากเมียนิสง์มากมัคคจิตผลจิตอันปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นด้วยดีโดยแท้จากอาสวะทั้งหลายกล่าวคือกามาสวะภวาสวะและอวิชชาสวะเนี่ยนะ มันถ้าหากว่ารู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะแล้วก็บำเพ็ญอยู่ในสิกขาสามก็สามารถทำที่สุดแห่งทุกได้นี้อธิบายเพิ่มเติมว่าบทว่าโกติคาโมก็คือบ้านที่สร้างไว้ท้ายปราสาทของพระเจ้ามหาปนาทะเนี่ยนะบทว่าอริยสัจอริยสัจก็คือสัจจะที่กระทำให้เป็นอริยหมายคำ ว, ว่าบุคคลใดรู้เห็นอริยสัจจากปุถุชนก็กลายเป็น พระอาาริยะจากปุตุชนคนมีกิเลสก็เจริญเติบโตบรรลุเป็นพระอาาริยเจ้าจากปุตุชนก็เป็นพระโสดาบันจากพระโสดาบันถ้าแทงตลอดอริยสัจระดับสูงขึ้นไปอีกก็จะเป็นพระสกท า, าคามีแทงตลอดจากพระสูงขึ้นไปอีกจากพระสกทาคามีก็เป็นพระนาคามีแทงตลอดระดับสูงอีกจากพระนาคามีก็เป็นพระอระหันต์บทว่าอ น, นุโพธาเคราะห์ไม่อะไรไม่ตรัสรู้ อ, อริยสัจนั่นเอง อติเเวธาเพราะไม่ตรัสรู้สัจจะที่ทำให้เป็นพระอริยะเพราะไม่ตรัสรู้สัจจะที่เป็นพระอริยะไม่แทงตลอดสัจจะที่ทำให้เป็นพระอริยสันทาวิตังเล่นไปจากพบสู่พบจากพบหนึ่งสู่พบหนึ่งจากขันห้าสู่ขันห้าจากธาตุสู่ธาตุจาก วัตตะสูวัตตะจากกรรมสู่กิเลสจากกิเลสสู่วิบากจากวิบากกรรมกิเลสก็ไหลเวียนวนอยู่อย่างนี้เรียกว่าสังสาริตังท่องไปไ ป, ไปมามาอยู่ร่ําไปเนี่ยนะเดี๋ยวกว็ไปเดี๋ยวก็มาว่ า, าว ง, งั้นเพราะอะไรก็เพราะไม่เห็นอริยสัจนั่นแหละสังสาริตัพังแปลว่าท่องเ ท, ที่ยวไปภวะเนเนตสมุหตาเชื่อกคือตันหาอันสามารถนำสัตว์ผูกสัตว์จากพบไปสู่พบเนี่ยนะ ถ้าเป็นถ้าไปทางภาคอีสานเนี่ยเวลาไปนี่จะเห็นบ่อยอันหนึ่งก็คือเรียกว่าผูกควายจูงควายจากหมู่บ้านหนึ่งไปสู่หมู่บ้านหนึ่งนะจากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งก็เรียกว่าผูกเรียกว่าผูกลากจูงจมูกไปเลยจากที่หนึ่งสู่ที่หนึ่งเลยนะอันตันหาที่นําไปสู่พบเหมือนกันมันก็ดึงจมูกไปหากลิ่นหอมดึงลิ้นไปหารสอร่อยเนะี่ยมันก็ชากทีละหกทวานเลยนะ ดึงตาไปได้ไปหาสีสวยที่ตัวเองชอบดู น, นะดึงหูไปสู่เสียงที่ตัวเองอยากฟังดึงจมูกไปหากลิ่นที่ตัวเองชอบเนี่ยนะแล้วก็ดึงลิ้นไปหารสที่ตัวเองปรารถนาดึงกายไปสัมผัสกันหน้านี้ขึ้นขึ้นไหนบอกว่าขึ้นเหนือเขาบอกแหมอยากสัมผัสความหนาวมากเลยจะได้ใช้เสื้อกันหนาวแค่นี้เหตุผลตรนตรนอดตาหลับขับตานอนโอ้ยอยากไปหนาวเหลือเกินเนี่ยนะ พอก็เปิดห้องฟิตก็เข้าไปห้องเขาก็ขออนุญาตเข้าห้องแช่หน่อยเฮอะอย่างเงี้ยนะจะได้เย็นอย่าเยาติดลบกี่องศาก็ได้แค่เนี้ยเหตุผลโอ้โหขับรถตั้งไกลเพื่อไปสัมผัสกับความหนา ว, ว ก, กันเนี้ยบว่าจะทําท่าไปเหมือนไปไหว้พระนะจริงๆก็ไปยกมือประโลกเดียวแคนะ่นั้นแหละที่เหลือก็ไปเรื่องอื่นโม้เนี่ยนะก็แปลกนะมันดึงไปนะอากาศเย็นภาคเหนือบอกว่าถ้าปีไหนหนาวมากคนขึ้นเหนือมากนะี่ยนะ พอปีนี้ที่ผ่านมาเมื่อห้าธันวาเนคนขึ้นเหนือแ อ, าอาจะเยียดไปหมดเลยนะที่พักก็แทบไม่พอรถขนส่งแถวนั้นแทบไม่พอเลยคนมันขึ้นมากจริงเร า, าอยากจะใช้เสื้อกันหนาวเหตุผลแค่นั้นนะเดี๋ยวปีใหม่เหรอเนี่ยคนเต็มไปหมดเลยไปเหรอเดี๋ยวเขมาจะอยู่แถวนี้เองคนมันน้อยๆดี <laughs> ที่ไหนคนเยอะไปกันเตอะไปตัปตลวละกันนะนั่น <laughs> นี่ความสุของไงนะเอยากจะไปชิมความหนาวว่างั้น ว่าจิยวจะมาชวนสัมผัสฮิมาลายอีกแน่ไปไกลมาก <c oughs> ในข้อหมู่บ้านนาธิกะเนี่ยนะในหมู่เรื่องหมู่บ้านนาทิกะเนี่ยเป็นการกล่าวถึง เ, เหตุผลที่สำคัญว่าการที่พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกเนี่ยนะชาวบ้านในหมู่บ้านต่างๆนี่เป็นอย่างไรนะข้อความตรงนี้เนี่ยทำให้นึกถึงว่าสำหรับคนที่ มีใจอยากจะไปเที่ยวอินเดียทั้งหลายเนี่ยนะไปอินเดียตามสถานที่ต่างๆเนี่ยให้นึกไว้เถอะว่าหมู่บ้านต่างๆเนี่ยเขาเคยมีพระอริยะอยู่กันมากมายหมู่บ้านแต่และหมู่บ้านเนี่ยนะเป็นพระอริยะมากกว่าครึ่งหนึ่งเกือบทุกหมู่บ้านเลยเนี่ยนะเขาเป็นอย่างนั้นกันแต่สมัยนี้ถ้าไปนะถ้ามีหมู่บ้านหนึ่งหมูบนหนม่บ้านนับถือพระพุทธเจ้าหนึ่งคนนี่ก็ถือว่าพิเศษมากแล้วเนี่ยนะแต่สมัยนี้นะแต่สมัยนั้นเนี่ยทั้งหมู่บ้านเนี่ยมีพระอริยะเกินกว่าครึ่งหมู่บ้าน นะบางทีเนี่ยร้อยคนก็มีพาราญาเจ็ดแปดสิบอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็พาริญะนี่เยอะมากแต่ก็อย่างว่านะก็เหมือนกับอะไรครับบอกปู้สมัยก่อนนะภูเขาทั้งหลายมีแต่ไม้สักดปื๊ดไปหมดเลยบอกตอนนี้ละ่ะไม้อะไรก็ไม้ยากาสิมันก็บอกเอ้าเมื่อก่อนว่าป่าไม้สักไม่ใช่เลยเอา ก, ก็ตัดไปหมดแล้วมันสิ้นอายุไขแล้วนี่ก็เหมือนกันเนี่ยนะก็อย่าไปไปตอนนี้อย่าไปหาไม้แก่นแบบนั้นมีแต่ยากาสเหมือนกัน นี่ก็เหมือนกันนะสมัยก่อนนี่มีพระอริยเจ้าสมัยนี้ก็ตรงกันข้ามกับพระอริยะหมดเลยแบบนั้นนะเป็นข่าสึกต่อรพระอริยะมันก็เป็นอย่างนี้แหละตามยุคตามสมัยไปเนี่ยนะในหมู่บ้านนาทิกะกล่าวว่าครั้งนั้นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จอยู่ณบ้านโกติคามตามพระอัธยาศัยแล้วหมายความว่าไม่มีสัตว์เหลา่าใดที่จะสงเคราะห์ให้ตรัสรุธรรมยิ่งขึ้นไปกว่าพระองค์ก็ตรัสกับท่านพระนุนว่า มาเถิดอ น, นุเราจะเข้าไปยังหมู่บ้านนาทิกะกันเถิดท่านพระ น, นุนก็กราบทูลรับแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระเจ้าค่าครั้งนั้นแหลพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จดำเนินไปจนถึงหมู่บ้านนาทิกะแล้วเล่ากันว่าในหมู่บ้านนาทิกะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จอยู่ในเรือนรับรองก่อด้วยอิฐนะก่อด้วยอิฐเรียกว่าเป็นอาคารตึกที่สร้างด้วยอิฐถวายพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ ครั้งนั้นแลท่านพระออนนทเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็นั่งหน้าที่ควรส่วนด้านหนึ่งท่านพระนนทผู้นั่งอยู่ณนะด้านหนึ่งนั่นแหลได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุชื่อว่าสารหะทํากาละแล้วในหมู่บ้านนาทิกะคติของท่านเป็นอย่างไรมีพบหน้าเป็นอย่างไรชาติหน้านะพระสารหะท่านไปไหนเนาะแบบนั้น ภพกษุนีชื่อวนันธาทำกาละแล้วในหมู่บ้านนาธิกาคติคมาคติเนี่ยนะคือคติมีห้านะปกติเนี่ยคติมีห้าคืออะไรนรกเดรชาเปรตมนุษย์เทวดาในจำนวนคติห้าเนี่ยนะเข้าไปไหนในจำนวนภพสามคือการมาภบรูปประภรูปอรูปประภรูปเนี่ยภพหน้าต่อไปเขาจะเป็นอย่างไรพระเจ้าค้า อุบาสกสุทัตตาอุบาสิกาสุชาดาเนี่ยชาติหน้าเขาเป็นยังไงอุบาสกชื่อว่ากะกุทะการลิมพร ะ, ะนิกะตะนะ ก, ะ ต, ะกะติสหตุธาสันตุธาพัตตะแล้วก็สุพตะเนี่ยนะท่านเหล่านี้ทำกาละแล้วในหมู่บ้านนาทิกะเขามีคติอย่างไรมีพบหน้าชาติหน้าต่อไปของเขาเป็นอย่างไร พระ อ, องค์ก็เรียงตอบตามลำดับมานะพระ อ, องค์ไม่สับสนนะถามมาเยอะแยะพระ อ, องค์ไม่สับสนนะเขาค่อยเล่าได้ทั้งหมดนั้นเลยนะพระ อ, องค์ก็ตรัสว่าดูก่อนอ น, อนุนพิษุสารหะได้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้แปลว่าพระพิกสุสารหะนั้นเป็นพระอรหันต์เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาที่ตรัสรู้ยิ่งด้วยตนเองแล้วเข้าถึงทิฏฐิธรรมแล้ว นะก็คือท่านดับขันปริณิพานเพราะท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์ในปัจจุบันชาตินี้แล้วเพราะฉะนั้นบัดนี้พบใหม่ไม่มีสําหรับท่านอีกต่อไปส่วนภิกษุณีชื่อว่านันทานั้นเพราะสังโยต์อันเป็นส่วนเบื้องต่ำห้าสกายทิทิวิจิกิชฌ์สีและพัตะปรามาตการมราคะและปฏิฆะนั่นแหละหมดสิ้นแล้วด้วยอ น, นาคามีมักเป็นผู้ผุดเกิดขึ้นเรียกว่าโอปปาติกะ ปริณิพานในชั้นสุดท่าวา่าเป็นผู้ไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาคือพรมสุดท่าว่าจะไม่มาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปไม่เกิดเป็นเทวดาไม่กลับมามีแต่สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็ปริณิพานในสุดท่าวา่าส่วนอุบาสกสุทตตะเนี่ยนะหมู่บ้านนาธิกะเนี่ยสิ้นสังโยชน์สามสิ้นไปแล้วเพราะราคะโทสะโมหะทั้งหลายเบาบางท่านเป็นพระสกท า, าคามีจักมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวเท่านั้น และจะทำที่สุดแห่งทุกรายอาจจะไปอยู่เทวดาหลายๆชาติแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์สักชาติหนึ่งแล้วปรินิพานสุดูก่อนอโนนส่วนอุวาสิกาสุชาดาเพราะสังโยชน์สามสิ้นไปเป็นโสดาบันผู้มีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้แน่นอนแล้วเพราะประชุมอริยมรรคได้แล้วและจะตรัสรู้ต่อไปในอนาคตจะได้โสดาปฏิมรรคสกาธาคามิมรรคจะได้สกาธาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตมรรค ต่อไปข้างหน้าแน่นอนอยงนั้นฮะไม่ผิดไม่พลาดเป็นพระอริยะแน่นอนเพราะบัดนี้เธอเป็นโสดาบันส่วนอุบาสกกกุธาเขาเนี่ยสิ้นสังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องต่ำห้าแล้วเป็นโอปปาติกะผุดเกิดขึ้นในสวรรค์ชั้นสุดทาวารหรือพรมชั้นสุดาวารและจะปรินิพานณะที่นั้นเป็นผู้ไม่กลับจากโลกนั้นไม่มาสู่โลกนี้อีกเป็นธรรมดาอุบาสกกา ร, การลิมพระนิกตะ กติสหะตุถะสันตุถะพระตะโสพระตะเขาเหล่านี้ทั้งหมดสิ้นสังโยชนเป็นส่วนเบื้องต่ำห้าเป็นผู้ผุดเกิดขึ้นหรือเป็นโอปปาติกะปรินิพานในสุทธาวาสเป็นผู้ไม่กลับมาจากโลกนั้นอีกเป็นธรรมดาดูก่อน อ, น, อนุนอุบาสกทั้งหลายในหมู่บ้านนาธิกะเนี่ยนะเกินห้าสิบคน เกินห้ิบคนนะที่เป็นอนาคามีเพราะเขาสิ้นสังโยชน์เบื้องต่ำห้าอย่างเป็นผู้ผุดเกิดขึ้นปรินิพานในชั้นสุดทาวารนั้นเป็นผู้ไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเกินห้าสิบคนเป็นผ้าอนาคามีเนี่ยนะอันจะทําบุญกับพระญาณนี่จะเลือกทํากับใครนะจัดเลี้ยงทั้งหมู่บ้านนั่นแหละก็ได้เกือบทุกชั้นเลยนะถ้าอยากจะทําบุญกับพระญาณน่าต้องไปจัดเลี้ยงในหมู่บ้านนาทิกะทั้งหมู่บ้านเลยแหละ